บทที่15าการหรือเวลาและอวกาศชาวโลกมนุษย์โดยมากมักเข้าใจว่าไม่มีการและอวกาศในโลกทิพย์ทั้งนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งในโลกเรามีการและอวกาศอยู่ทั้งสองประการแต่ก็มีสภาพความเป็นไปแตกต่าง ก, กันกับการและอวกาศในโลกมนุษย์อยู่บ้างในโลกมนุษย์ การวัดเวลาเกิดขึ้นโดยถือตามกำหนดที่โลกหมุนรอบแกนของตนเองเป็นหลักต่อจากนั้นก็แบ่งย่อยออกไปเป็นกลางวานันกลางคืนชั่วโมงนาทีเป็นลำดับการแบ่งเวลาส่วนใหญ่ก็ถือเอาการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นสำคัญเราจึงแบ่งออกเป็นเดือนและปีตามลำดับสมัยต่อมาเมื่อมีผู้คิดประดิษฐ์นาฬิกาขึ้นได้ก็ทําให้การคำนวณเวลาละเอียดยิ่งขึ้นกว่าเดิม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 เหมือนดังเช่นร่างกายมนุษย์เพราะ ง, งานหนักที่จะต้องปฏบิบัติบำรุงร่างกายในเมื่อเกิดความหิวกระหายหรือเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียนั้นเป็นอันหมดไปแล้วโดวยสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้การหรือเวลาตามความหมายอันเป็นที่เข้าใจของโลกมนุษย์นั้นจึงไม่ปรากฏในโลกทิพย์เราโดยสรุปก็คือเราไม่ต้องมีความกังวลว่าเวลาจะผ่านไปแล้วมากน้อยเพียงใด อันที่จริงการหรือเวลาอย่างที่รู้สึกกันอยู่ในโลกมนุษย์นั้นก็เป็นเรื่องเปรียบเทียบทั้งสิน้นทั้งนี้หมายความว่าเราเออใจของเราเข้าไปเกี่ยวกัอ ก, กับมันเราก็สมมติเอาว่าช้าบ้างเร็วบ้างสุดลตัตกรณีตัวอย่างเช่นบุคคลที่ได้รับความทุกข์ทรมานหรือเจ็บปวดอย่างรุนแรงเพียงหนาทีเท่านั้นก็รู้สึกคล้ายๆกับว่าเป็นเวลานานเหลือเกิน โดยในย่าตรงกันข้ามบุคคลผู้ที่ได้รับความสุขและเพลิดเพลินก็รู้สึกเหมือนกับว่าห้านาทีนั้นผ่านไปรวดเร็วมากคล้ายๆกับว่าเป็นห้าวินาทีเท่านั้นโดยในย่าเดียวกันผู้อยู่ในภูมิแห่งความสุขในโลกทิพย์เช่นนี้ก็จะไม่รู้สึกเลยว่าเวลาได้ผ่านไปแล้วช้านานเพียงไรแต่ภูมิตาของโลกทิพย์สภาวะก็จะกลับกันเป็นตรงกันข้าม ความทุกข์ทรมานั้นใหญ่หลวงที่เขาได้รับอยู่ตลอดเวลานั้นจะทำให้เขารู้สึกว่าเวลาได้ผ่านไปอย่างช้าเลอเกินระยะเวลาปีหนึ่งของโลกมนุษย์นั้นเมื่อคิดตามความรู้สึกของผู้อยู่ในอบายภูมิแล้วก็มีค่าเทียบกับหมื่นปีหรือแสนปีทีเดียวเท่าที่กล่าวมานี้ก็คงจะพอทาให้ท่านเห็นได้ว่าแนาวคิดเรื่องเวลาของโลกทิพนั้นแม้จะมีอยู่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 ได้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โดยความจริงดังกล่าวมาเท่าที่จะเห็นได้ว่าการหรือเวลานั้นก็มีความสาคัญอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในโลกทิปโดยที่ความเป็นไปของโลกทั้งสองนี้ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาดดังนั้นผู้ที่อยู่ในโลกทิพ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 และความเลื่อมสายเกิดขึ้นอย่างมากมายผิดกว่าปกติในโอกาสเช่นนี้บุคคลเป็นจํานวนมากซึ่งปกติก็จะยุ่งอยู่กับการงานประจำวันจนไม่มีเวลานึกถึงบุรพาชนที่ล่วงลับไปแล้วนั้นก็จะมีจิตปลอดโปร่งขึ้นบ้างชั่วคราวและจะหวนระลึกถึงท่านผู้ที่ได้จากมาสู่โลกทิพย์แล้วได้บ้างในโอกาสเช่นนี้บุคคลเหล่านั้นก็จะส่งความรักและคิดถึง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 ทั้งนี้ขอให้ท่านทราบว่าเราไม่ได้นับเวลาคอยท่าเอาไว้ดัที่ท่านอาจจะเข้าใจเช่นนั้นหาไม่ได้เลยเรารู้ได้ว่าเหตุการณนน์นั้นๆจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เพราะว่าเราส่งกระแสจิตไปเพื่อเห็นเหตุการณ์นั้นโดยเฉพาะแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดโดยไม่ต้องกำหนดนับเวลาเลย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 และยังสามารถ ก, กักกำหนดไว้อย่างแม่นยามอีกด้วยว่า <for> เหตุการณ์เช่นนั้นๆจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใดที่ไหนและเมื่อไหร่ซึ่งอำนาจที่จะแหล่งเห็นเหตุการณ์ในอนาคตในระยะไกลเช่นนี้ยังอยู่เกินวิสัยของข้าพเจ้าอย่างมากมายตราบใดที่ข้าพเจ้ายัางไม่ได้กระทาจิตให้ปราณีตเลื่อนขึ้นไปถึงชั้นภูมินั้นได้สก่อนแล้วก็จะไม่สามารถมียาอันลึกซึ้งเช่นนั้นได้เป็นอันขาด อวกาศในโลกทิพย์เมื่อกล่าวถึงเรื่องอวกาศก็พอจะกล่าวได้อย่างกว้างว่าเรื่องอวกาศมีส่วนเกี่ยวข้องกับโลกทิพย์เหมือนกันแต่ก็เป็นไปในลนักษณะแตกต่าง ก, กันกับโลกมนุษย์ทั้งนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับเรื่องการหรือเวลาดัางที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเองแน่นอนเหลือเกินอวกาศจะต้องมีอยู่ในโลกทิพย์ ตัวอย่างเช่นเมื่อข้าพเจ้ายืนอยู่ที่หน้าต่างห้องชั้นบนก็จะเห็นภูมิประเทศในลักษณะต่างๆไกลออกไปในระยะไกลข้าพเจ้าก็จะสามารถเห็นเมืองซึ่งมีตึกรามบ้านช่องใหญ่โตนอกจากนี้ภูมิประเทศที่เห็นโดยรอบก็เป็นเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์คือมีที่ราบที่ดอนแม่ น, ามาน้าลาธารและป่าเขาลาเนาไม้ไม่ผิดกับในโลกมนุษย์สิ่งเหล่านี้ต้องกินเนื้อที่ เช่นเดียวกับสิ่งเหล่านี้ในโลกมนุษย์เหมือนกันทั้งหมดเป็นของจริงจับถูกต้องได้ไม่ใช่เป็นเงาๆทับหรือซ้อนกันแต่อย่างใดภูมิประเทศเหล่านี้จะลายเห็นได้ไกลออกไปจนสุดขอบฟ้าและนอกเหนืออนณาเขตนี้ไปก็คงจะมีภูมิประเทศเช่นเดียวกันนี้แผ่ออกไปอีกไม่รู้สิ้นสุดข้าพเจ้าทราบดีว่าข้าพเจ้าสามารถจะเดินทางไปในระยะไกลแสนไกล โดยไม่มีอะไรติดขัดระยะทางเหล่านี้กว้างขวางและยืดยาวมากกว่าระยะทางรอบโลกมนุษย์หลายต่หลายเท่านักแต่ระยะทางอันไกลแสนไกลและพื้นที่อันกว้างใหญ่มหาศาลเช่นนี้ก็เป็นเพียงพื้นที่ส่วนน้อยของโลกทิปนี้เท่านั้นเองยิ่งกว่านั้นท่านผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปก็ยังได้เคยบอกเกศข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะเดินทางข้ามเขตแดนของข้าพเจ้า ไปสู่ภูมิที่สูงกว่าขึ้นไปอีกก็ได้ถ้ามีเครื่องคุ้มกันหรือมีผู้ช่วยเหลือดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาวกาศก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เหมือนกันเมื่อกล่าวตามทัศนะของโลกมนุษย์ก็จะเห็นได้ว่าภูมิมันเป็นทิพย์เช่นนี้อยู่เหนือวิสัยที่ชาวโลกมนุษย์ทั้งหลายจะเข้าถึงได้ทั้งนี้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 เท่าที่กล่าวมานี้ท่านคงจะเห็นได้แล้วว่าแม้อวกาศจะมีอยู่จริงเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์ก็ตามแต่อำนาจจิตของเราได้ก้าวขึ้นสู่เหนืออานาจของมันเสียแล้วในขณะเดียวกันการหรือเวลาที่จะต้องใช้สิ้นเปลืองไปเกี่ยวกับอวกาศนั้นจึงเป็นอันหมดสิ้นไปด้วยในเรื่องเช่นนี้กล่าวโดยสรุปก็คือการกับอวกาศ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 แต่ขอให้จําหลักไว้นะครับว่ากรรมที่ทําไว้แรงพอเท่านั้นที่จะกําหนดชะตาชีวิตให้ต้องเจออะไรบางอย่างอย่างแน่นอนแต่ในความแน่นอนก็ยังมีกรลังฝ่ายตรงข้ามที่แรงพอสามารถมาขานำนาจกันและทําให้กรรังเก่าอ่อนกําลังลงจนต้องเลื่อนผลหรือให้ผลได้น้อยหลายคนทําบุญถูกทางและมากพอด้วยจิตต้องการสละจริงโดยเฉพาะบุญการให้ชีวิตเป็นทานและมีศีลบริสุทธิ์ จากที่หมอบอกต้องตายแน่ก็รอดได้อย่างปาฏิหาริย์สำหรับการให้ชีวิตเป็นทานนั้นส่วนมากเราจะนึกถึงแต่การปล่อยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่านะครับซึ่งความจริงการให้ชีวิตนั้นก็ยังมีอีกหลายอย่างเช่นการบริจาคเลือดบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะการร่วมสร้างโรงพยาบาลรักษาพระอาพาธหรือแม้แต่กองทุนเพื่อรักษาคนทั่วไปตามโรงพยาบาลก็ตามการทําบุญตักบาตรการเลี้ยงอาหารคนที่กำลังหิว ก็เป็นการให้ชีวิตเป็นทานเช่นเดียวกันนะครับเพราะคนเราจะมีชีวิตต่อไปได้ก็เพราะอาหารที่กินไปแต่ละวันทั้งนั้นซึ่งอา น, นิสงส์งการช่วยชีวิตก็แบ่งไปตามประเภทของบุคคลหรือสัตว์ที่เราช่วยด้วยนะครับมีตัวอย่างเรื่องในครรมปีคือการทํานายของพระอรหันต์ว่าเนนต้องตายในเจวันแต่ถึงเวลากลับไม่ตายด้วยอา น, นิสงส์งที่ช่วยปลาที่ติดในหนองน้ําที่กําลังแห้งและช่วยแกงที่ติดห่วงให้รอดชีวิต ด้วยความที่เป็นนักบวชที่เคร่งครัดในธรรมวินัยมีศีลบริสุทธิ์บวกกับจิตเปลี่ยมเมตตาหาประมาณไม่ได้ช่วยสัตว์ด้วยจิตอนุเคราะห์จริงๆไม่ได้ทําเพราะบ้าบุญอยากได้บุญหรือตั้งใจทําเพื่อสะดอกเคราะหให้ตนเองจึงลดแรงกรรมเก่าให้ท่านไม่ต้องตายตามคําทำนายสําหรับการทําบุญบรรเทากรรมนั้นก็เป็นเพียงการเลื่อนผลของกรรมออกไปเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าทํำละกรรมเก่าจะหายไปก็ยังรอคอยให้ผลอยู่เสมอ ถ้าเทียบง่ายๆบุญก็คล้ายกับการกินอาหารนะครับถ้าเราไม่กินเราก็เจ็บป่วยได้ง่ายไม่นานก็ตายดังนั้นจึงต้องกินทุกวันบุญก็เช่นกันก็ต้องทำให้เป็นอาจินตกรรมทำให้สม่าเสมอและก็ต้องครบถ้วนทุกด้านทั้งทานศีลภาวนาซึ่งแต่ละคนเราไม่มีทางรู้ได้นะครับว่าบาป ก, การรมที่เราเคยทำไว้ในชาติก่อนแต่ละคนสะสมมาต่างกัน มีมากน้อยกันแค่ไหนการทำบุญของแต่ละคนบางคนจึงออกผลเร็วเพราะบาปเก่าที่คอยจุดไว้มีน้อยแต่บางคนทำดีทั้งชีวิตก็อาจจะเห็นผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะบาปเก่ารุนแรงมากซึ่งก็ต้องอดทนรับเราก็ต้องรับกรรมของเราที่เราเคยทำไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันแต่วันหนึ่งมันก็ต้องลดมันก็ต้องเบามันก็ต้องหายไปในที่สุด ตราบใดที่เรายังไม่หยุดทำความดีที่ถูกทางถูกทมและเป็นปริมาณที่มากพอหลายคนที่ผมเจอนะครับที่บอกว่าทำดีไม่ได้ดีส่วนใหญ่ทำดีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและยังทำดีไม่ครบถ้วนยังไม่เป็นอาชินกรรมคือยังไม่ได้ทำประจำอย่างแท้จริงหมายเหตุตรงนี้ไว้ให้ได้ง่คิดนะครับว่ากรรมบรรเทาได้และบุญกุศลที่ใหญ่พอเปลี่ยนดวงชะตาได้จริง ให้สังเกตนะครับว่าการทําบุญอะไรมีอนิสงส์อะไรการรักษาศีลการเจริญสติบุญหลายอย่างที่บรรเทากรรมได้นั้นมีเพียงในคําสอนของศาสนาพุทธเท่านั้นแต่ในหนังสือนี้ที่ท่านเล่าคือเรื่องของเทวดาที่มาจากกลุ่มคนนับถือศาสนาอื่นไม่ได้มีโอกาสทําบุญหลากหลายหรือตรงทางเพื่อบรรเทากรรมแต่ละอย่างโดยตรงส่วนใหญ่ท่านเน้นแค่ศีลธรรมพื้นฐานเท่านั้นแถมยังเห็นการฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารไม่บาป การกินเหล้าก็ไม่บาปการที่จะมีอายุหรือชะตาวันตายแน่นอนจึงน่าจะทํานายได้ง่ายกว่าหลักสําคัญที่สุดของการทําบุญบรรเทากรรมก็คือศีลห้าและการทําบุญที่ให้ผลตรงข้ามกับบาปที่เคยทําและท่านยังว่าหากใครเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงก็สามารถต่ออายุได้อีกมากนะครับซึ่งการเข้าถึงได้จริงนั้นต้องเป็นคนประเภทที่ตัดความงม ง, งายทั้งหมดออกไปได้ และมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเท่านั้นจะเห็นได้ว่าคำสอนการเชื่อการปฏิบัติหลายอย่างจะมีเฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้นและหลายอย่างคนพุทธด้วยกันเองก็ยังเข้าไม่ถึงยังทำไม่ได้นี่ครับ